การทำจิตให้สงบก็มีอันดสงเพราะในอริยมรรคมีองค์แก็คือศีลสมาธินั่นก็ปัญญาตัวสมาธิิคือความเห็นที่ถูกต้องนั่นก็คือความเห็นหรือความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์ โลธัคำมณีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เมื่อท่านสุภาาัทบัริพาชกการาบทูลถามพระพุทธเจ้าในวันที่พระเจ้าจะเสด็จดับกันผลิธิผานว่ารอยเท้าในอากาศนี่มีอยู่หรือไม่พระสงค์นอกเหนือจากคำสอนของพระองค์มีหรือไม่ของทูเปรย์พระศาสดาก็ตัดตอบว่า รอยเท้าในอากาศเนี่ยไม่มีสมณะที่ 1, 2, 3, 4นี่ภริยบุคคลที่จะมีอยู่นอกอริยมรรคมีอง8ไม่มีก็ต้องปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีอง 8. แปดนั่นก็จะเกิดจิตใจที่สงบเป็นสมาธิเกิดจิตใจที่มีปัญญารู้แจ้ง เห็นจริ ง, รงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดฉะนั้นเมื่อเรานี่มาปฏิบัติมาให้ทานสมทานศีลศีลห้าศีลอุโบสถศีลศีลแปดคือการสรงบกายวาจาให้เรียบร้อยให้สงบกายวาจาก่อนต่อมาเราก็ มาสวดมนต์มาภาวนามาเจริญสตินมัดระวังใจของเราเพราะใจของเรานี่วันหนึ่งมันคิดนึกปรุงแต่งมากมายนั่นใจนี้รับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกยินดีเกิดความรู้สึกที่ยินร้ายอยู่เสมอ ถ้าเราไม่มีสติจิตก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ที่เข้ามาทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสปดธรรมะธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกเมื่อกระทบกับอายตนะภายในแล้วส่งอารมณ์เข้าไปสู่ใจถ้าใจไม่มีสติใจนั้นก็จะวิ่งไป เกิดความรู้สึกยินดียิน้ายโกรธเกลียดรักชังอยู่เสมอถ้ามีสติเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นที่ใจเราก็รู้จักเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้พิจารณาอารมณ์ที่เรารับรู้นั้นมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา้าสติของเรามันกล้าปัญญาเกิด ก็เห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตจะปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ใจเมื่อความรู้สึกชอบใจก็สอนจิตของเราว่าไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ชอบใจก็บอกว่าไม่แน่ไม่เที่ยงคือมีความสุขก็ดีมีความทุกข์ก็ดีเราก็สอนใจของเรา ให้ใจของเราอยู่กลางๆไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงนี้นะว่าเรามีปัญญาจิตของเรามีปัญญาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้พิจารณาแล้วเห็นไม่ชัดแสดงว่าสมาธิของเราไม่ตั้งมัน่นเราก็ต้องมาเพิ่มสมาธิเพิ่มกําลัง ในการที่จะทำจิตของเราให้มีความนิ่งเช่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีสติให้มีความรู้สึกอยู่ที่ลมเนี่ยจนจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อสมาธิคือความตั้งใจมั่นของจิตนี้มีหลักฐานมั่นคงมีกาลัง เมื่อรับรู้อารมณ์อะไรเข้ามาสู่ใจจิตที่นิ่งอยู่แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนทั้งใจที่วันไหวไปกับอารมณ์นั้นผู้รู้ที่ตามดูจิตอยู่ก็จะรักษาจิตเห็นว่าอารมณ์ที่เข้ามาจิตของเราปรุงแต่งไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตก็จะปล่อยวางอารมณ์ได้ เกิดความรู้เท่าทันในอารมณ์นั้นนี่เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้สมทุนกันระหว่างว่าเมื่อเรามีสติถ้ามีสติไปอย่างเดียวสติแล้วมันอ่อนเราจะดูจิตไปอย่างเดียวปัญญาของเราก็ไม่พอจิตของเราหวั่นไหวไปกับอารมณ์เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอดทนไว เมื่อเราโอดทนแล้วเราก็ต้องกลับมาทำสมาธิให้เป็นที่อยู่ของจิตของเราให้จิตของเราตั้งมั่นได้ดีเมื่อเราจะมาพิจารณาในทางในด้านปัญญาก็จะได้เห็นชัดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติบางคนนั้นก็ฝึกจิตโดยไม่ทำสมาธิ แตกใช้การพิจารณาให้จิตสงบโดยการพิจารณารู้เท่าทันในอารมณ์ในการดูจิตว่าจิตมีความโลภโกรธหลงก็รู้จักจิตปราศจากความโลภโกรธหลงก็รู้จักจิตมีความโลภโกรธหลงเพราะเหตุใดก็รู้จักจิตไม่มีความโลภโกรธหลงเพราะเหตุอันใดก็รู้จักคือพิจารณาตัวจิตนี้ พิจารณาอารมณ์นั้นแล้วจิตก็สงบเขามานั่นแหละเราใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิหรือการจะพิจารณาในกายก้อนนี้เป็นก้อนธาตุก้อนอนิจังทุกขังอนัตตาก็ตามใช้ปัญญาพิจารณาแล้วให้จิตสงบแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นการพิจารณา ให้จิตสงบซึ่งหลวงปู่ชาก็พูดทํานองว่าบางคนก็ถนัดในการทํานาบางคนก็ถนัดในการทําสวนถ้าเราดูลมหายใจก็ดีเราภาวนาพุทโธก็ดีอันนี้คือเราทําจิตของเราให้เป็นสมถะซะก่อนให้จิตใจห่างจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายทั้งหประการมีกามปันทะพยาบาท ทินะมิทะอุทะจักกุขุ จ, จะวิจิกิจฉาเมื่อใจของเราห่างเกจากอารมณ์นิวรังทั้ง5อันเป็นเครื่องกลางกั้นคุณงามความดีโดยเราใช้คําบริกรรมภาวนากรรมกับใจของเราไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็บริกรรมว่าพุทธโธถ้าเวลานั่งลมหายใจเข้าก็พุทลมหายใจออกก็โธนึกบริกรรมไปพร้อมกับลมหายใจ อย่างนี้เรียกว่าเราทำจิตของเราให้สงบเป็นสมถะกรรมฐานไม่ต้องกลัวว่าการเพ่งให้สงบนี้เราจะไปติดหลงอยู่ในความสงบเพราะจิตของเรานะ่ยมันก็ติดหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏภะธรรมรมอยู่แล้วแต่เราดึงจิตของเรานั้นออกมาจากการติดยึดในอารมณ์ที่เป็นโลก เข้ามายึดในอารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมก็คือกรรมฐานภาวนามริกรรมภาวนาเป็นพุทธานุสติเราไม่ต้งกลัวว่าจิตเราจะมาติดความสงบมันก็ต้องทิ้งอารมณ์ที่เคยเยึดติดอย่างหยาบมายึดติดในสิ่งที่เป็นมีความละเอียดขึ้นถ้าจิตมีความสงบขึ้นมาแล้วกายเบาจิตเบาควรแก่การพิจารณา เมื่อจิตของเราเนื่งอย่างนี้การพิจารณาในรูปในนามเราก็จะเห็นชัดว่าเป็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของรูปของนามได้เรียกว่าเป็นภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาเราไม่ต้องกลัวว่าจิตเราจะมาติดหลงติดเพ่งอยู่ต้องอาศัยกันเพราะองค์ประกอบของสัมส ม, มาส ม, มาธิ ความตั้งใจมั่นชอบนี้มันก็อยู่ในองค์ของอริยมรรคสัมมาสติคือความรู้เท่าทันกําหนดู้เห็นกายเวทนาจิตธรรมสักตะวากายเวทนาจิตธรรมก็ต้องประกอบกันขึ้นมารวมแล้วเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นองค์ของมรรคก็ไม่ได้แยกมาเป็นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแต่อย่างใดเราถนัดในการกระทา ในการพิจารณาสู่ความสงบหรือสงบแล้วจะพิจารณาก็ทำตามฉริตนิสัยซึ่งญาติโยมทั้งหลายถ้าจะทำจิตให้สงบก็คงจะทำได้แต่ต้องมีโอกาสมีเวลามากขึ้นพยายามที่เราประกอบอาชีพการงานการเดินทางไปมาก็ตามก็ให้พยายามมีสติดูที่จิตของเราอยู่เสมอก่อน องสมเด็จพระชินวรว์ถึงสอนว่าผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารมาระู้ทําลายความดีกิเลสสมานในใจของเราที่ทําลายความดีเมื่อเรามีสติรักษาใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายตรงนี้ทลวงปูชาบอกว่าอาจจะเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะถ้าเรามั่นใจในแนวทางปฏิบัติแล้ว เราไม่ลังเลสงสัยเราไม่ลังเลสงสัยคราวนี้เราปฏิบัติไปไม่ลังเลและปฏิบัติได้ถูกทางจิตของเราจะต้องเห็นธรรมะไม่วันใดก็วันหนึ่งและสภาวะจิตของเรานี้เป็นอย่างไรเนี่ยเหมือนน้ําน้ําใสใสเอาสีแดงมาใส่น้ํานั้นก็อาจจะดูเป็นสีแดงแต่เพราะว่า จิตนั้นไปคุกเข้ากับอารมณ์นั่นจึงดูจิตนั้นเปลี่ยนไปแต่เ่อเราแยกจิตออกมาจากสีแดงได้จิตก็จะเป็นจิตเหมือนเดิมแยกจากอารมณ์มาได้หรือแยกสีแดงออกจากน้ําน้ําก็จะเป็นน้ําใสเหมือนเดิมถ้าเอาสีส้มสีเหลืองสีเขียวใส่ไปก็เป็นทานองเดียวกัน เมื่อมีอารมณ์เข้ามาจิตเข้าไปยึดถืออารมณ์ก็เข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นชั่วข่าวแต่สภาวะของไฟอกุศลกุศลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่จะทำอย่างไรจะเราจะรักษาจิตของเราให้มอยู่ในสภาวะที่มมีความผ่องใสในเบื้องต้นเราก็ต้องระมัดระวังกายวาจาให้อยู่ในศีลพยายามทำจิตให้มีสมาธิแลก็พิจารณา เห็นอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางไม่ยึดถือจิตของเราก็จะมีความผ่องใสได้นานขึ้นเป็นตะทางข้าวิมุตตหลุดพ้นด้วยปัญญาโชคข่าวเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆจิตของเราจะมีกำลังแข็งแรงที่จะต่อสู้กับอารมณ์กกหรือกิเลสได้แต่เราต้องทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันขึ้นไปหยุดไม่ได้ ถ้าเราหยุดการปฏิบัติเมลัยกิเลสมันก็จะเดินมานั้นแห่งการปฏิบัติจึงเป็นไปได้ช้าเพราะเราทําไม่ได้ต่อเนื่องนั่นเองเหมือนร่างกายนี้แหละถ้าเราไม่ได้ออกกําลังไม่ได้บริหารร่างกายก็ไม่แข็งแรงเกิดโรคภัยแค่เจ็บได้เพราะภูมิต้านทานของเราไม่มีเมื่อใจของเราไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดจิตก็จะเข้าไปยึดถือในอารมณ์ก็คือกิเลสมันเกิดขึ้นได้ง่าย เราจรึงต้องสร้างภูมิต้านทานในใจของเราไว้ให้ใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมีสติระมัดระวังอารมณ์ที่เข้ามาจะได้พิจารณาและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือตัววิชาตนาอุปท า, านเอาเบเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อเราเดินมัจอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเป็นศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาแล้วเป็นมัจสมังคีก็สามารถจะเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุทเทตพหาน นาส ก, กายยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพ ต, ตาปรามาตยอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นสามการได้เด็ดขาดจิตของเราก็จะข้ามกระแสสู่กระแสธรรมข้ามกระแสโลกสู่กระแสธรรมหรือว่าทวนกระแสโลกไปถ้าได้เห็นธรรมะเพราะเป็นธรรมดา ว, ว่ากระแสของโลกนั้นอะใจของเราก็หลงไปในกระแสของโลกเห็นว่านี่คือตัวเรานี่คือของของเราอยู่เสมอ ร่างกายนี้ก็เกิดเป็นเราร่างกายคนอื่นก็เป็นเขามีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนเราเขาครูบาอาจารย์ท่านในปฏิบัติให้มาพิจารณาในกายเราเองกายบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ดีให้นึกว่าสักดิ์วะกายไม่มีใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเราพิจารณาแยกธาตแยกขันได้มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมกองดินกองน้ํากองไฟกลองลม เราแยกแยะออกไปแล้วใ น, นที่สุดก็แตกสลายไปหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้มีแต่าการสนิทสองที่มารวมประชุมกันมาชั่วคราวเท่านั้น mm. เมื่อสมาธิตั้งมั่นเราพิจารณาในแง่ของปัญญาเริ่มต้นก็จะเห็นชัดขึ้นมาการเห็นชัดในเบื้องต้นขึ้นมาเราก็จะมีความมั่นใจได้แล้วว่าตรงนี้เองที่เราปฏิบัติมานานสงสัยมานานแท้ที่จริงเนี่ย ปัญญาของเรายังไม่แจ่มชัดเพราะสมาธิเรายังไม่ตั้งมัน่นสติเรายังไม่ต่อเนื่องเมื่อเราสํารวมกายวาจาเป็นศีลได้ดีแล้วจะเลิญภาวนาจนสมาธิของเราก็ตั้งมัน่นสติของเราต่อเนื่องปัญญาเกิดจิตก็แยกจากอารมณ์ได้เห็นกายสักแต่ว่ากายในเบื้องต้นเป็นต่วทางคำวิมุตหลุดพ้นชั่วข่าวแต่เห็นอย่างแจ่มชัด พระใจที่มีสมาธิตั้งมั่นได้ดีปัญญาเกิดขึ้นจึงไม่ลังเหลสงสัยเมื่อเรามาพิจารณาในกายก้อนี้บ่อยเข้าการรู้การเห็นธรรมนั้นก็ไม่ได้ต้องเห็นหลายครั้งหรอกเห็นชัดๆสักครั้งเดียวก็จะหมดความสงสัยในกายนี้ในเบื้องตน้นมไม่ใเชื่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาต่อจากนั้นไปแล้วการปฏิบัติมันก็จะง่ายขึ้น มันจะยากก็ยากในด่านแรกคือตัวสกายติทิวิจิกิจฉาศิวตาปรามาตยอันเป็นสังโยชน์คือเครื่องร้อยลัดจิตใจของเราอันี้เป็นด่านแรกเราก็ต้องรวบรวมกําลังสติก็รวบรวมกําลังปัญญาศรัทธาความเพียรต้องพยายามมุ่งมั่นบัตในชีวิตนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระศาสนาแล้วเราเรียนแล้วเราทํางานแล้ว เพื่อหาเลี้ยงในชีวิตของเราครอบครัวของเราแต่ในด้านจิตใจนั้นเราจะต้องพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้ค้นขว้าให้จิตใจของเรานมันดีขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นใจดวงที่ประเสริฐขึ้นมีคุณค่ามหาศาลมากกว่าสิ่งใดก็ ข, ขอพากันได้พยายามเอาใจใส่ในใจของเรานี้แหละพัฒนาหรือปฏิบัติ จนตัดกิเลสให้เป็นสมบูเชเฉตปรหารได้ในเบื้องต้นก็เ ข, เข้าสู่เป็นพระโสดาบันบุคคลผู้ที่ไม่มีตกต่ําแล้วมาเกิดอีกก็ไม่มีชาติที่8ปดเพราในเบื้องต้นนี้ก็ต้องพยายามอดทนแม้สมาธิธรรมจะเกิดยากสติธรรมปัญญาธรรมจะเกิดยากก็ให้มีขันติธรรมอดทนไว้ก่อนต่ออารมณ์ทั้งหลายพยายามรวบรวมกําลังใจพิจารณาชีวิตไม่แน่นอนความตายมันของแน่นอน เราประมาทไม่ได้จะต้องมีความเพียรปัญยามละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องแผ้วทำสมาธิให้มันปัญญาคือความรู้ในี้เกิดมีความรู้รอบขึ้นมาในกองสังขารจนตัด ก, กิเลสให้เป็นสมุเทเธทประหารได้ด้วยอริยมรตมีองค์แปดอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระชินวรที่ใช่เรปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมก็ข อ, ขอให้พวกเราทุกๆคนนั้นจเจริญในธรรมทุกการทุ ก, ท, ก, ท, กท่านเถิด